เดือนที่แล้วตา ม, มาได้ไปเทศงานศพนะที่อำเภอพนมสารคามนะชาเชิงเซาผู้ตายเนี่ยตา ม, มาไม่รู้จักนะแต่ว่ารู้จักกับลูกของผู้ตายนะคืออาจารย์ปริญญา น, นลมิตรเทวกุลผู้ช่วยิการบรดีธรรมศาสตร์งานนี้ก็มีคนมาร่วมเยอะนะเป็นงานใหญ่เพราะว่าคุณนรงเนี่ยผู้ตายเนี่ยเป็น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 นะให้เงินใครไปเนี่ยก็จะจดเอาไว้นะว่ า, าให้ไปเท่าไหร่นะบ้านนี้ให้ไปห้าร้อยให้ไปพันหนึ่งล้วก็เกิดว่าถึงเวลาที่เขาจะมาร่วมงานของเราเนี่ยก็คาดหวังว่าจะต้องได้ไม่น้อยกว่าที่เคยให้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 ตอนหลังมีเวลาก็ไปซักถามประวัติของพ่อแล้วก็มีประวัติบางตอนที่น่าสนใจอย่างเช่นคุณนรลุงเนี่ยเคยเล่าใฟังว่าเมื่อสักเจ็ดสิแปดิบปีก่อนเนี่ยตอนที่ตัวองยังเป็นเด็กเจ็ดแปดขวบเนี่ยวันหนึ่งพ่อเนี่ยชวนชวนไปกราบหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงนี่ก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังนะท่านอยู่สนามชัยเขตสนามชัยเขตนี่ก็ห่างจากพนมส า, ารคามประมาณสามสิบสี่สิบกิโลปหาหน้าที่ใช้นะ ในการเดินทางเนี่ยจากพนมสารคามเนี่ยไปสนามชัยเขษเนี่ยคืออะไรนะคือมา้านะต้องขี่ม้าไปมันไม่มีรถนะไม่มีรถที่ไปหาหลวงพ่อคงก็เพราะว่าหลวงพ่ออายุจะมีการทำบุญอายุครบหนึ่งร้อยหกปีนะท่านอายุยืนมากนะอายุหนึ่งรอยหกปีเนี่ยก็ ข, ขี่ม้านะพ่อพ่อของผู้เล่าเนี่ยก็คือปู่ของอาจารย์ปิเรนยาเนี่ยก็ ข, ขี่ม้านะส่วน คุณนรงซึ่งเป็นเด็กนะก็นั่งข้างหลังเกาะเอวพ่อแต่สิ่ง ท, ที่แปลกใจคือว่าพ่อบอกเด็กชายนรงนะว่าให้เอาหอมเนี่ยสีห้าพวงเลยนะสีกห้ากรรเลยนะเอาไปด้วยนะเด็กก็ไม่รู้ว่ไปทำอะไรนะหอมหัวแดงกันนะก็ขี่ม้าไปตั้งแต่เช้านะตอนบ่ายเนี่ยบ่ายนี้ไม่ถึงเลยนะกลางทางเนี่ยขี่อยู่ดีๆเนี่ยม้าเนี่ยนะมันตกใจมันยกขาหน้าขึ้นแล้วก็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 เป็นคนที่รู้ทิศสายสัญชาตญาณของมา้าและที่เอาหัวหอมเนี่ยมาทาเนี่ยตรงจมูกม้าเพออราะรเพราะว่ามันจะได้แสบไงพอแสบแล้วมันจะไดะ้ก็จะได้วิ่งหนี ก, ก็จะได้ก็จะไม่ได้กลิ่นนะนอกจากไม่ได้กลิ่นและแสบมันก็ทําให้เนี่ยมันก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยนะเพราะความแสบของมันเนี่ยแล้วนะต้องทําหลายครั้งนะเพราะว่าขี่ม้าไปสักพักอา้าวม้ามันมีอาการอย่างนี้แล้ว ขี่มาไปสักพักก็เห็นเสือนะพนมสา ร, รคามเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันมันเป็นป่านะแล้วยิ่งสนามชัยเขตเนี่ยมันเป็นป่าดิบมากเนี่ยใครที่ไปสนามชัยเขตทุกวันนี้เนี่ยคงนึกไม่ถึงนะว่าสมัยก่อนนี่โวมันเป็นป่าดิบมากเลยคุณนรลงบอกว่าเนี่ยเวลาเวลาเดินเข้าไปเนี่ยนะเส้นทางเนี่ยมันก็เป็นทางเส้นทางเล็กๆนะเงยหน้าเงยน้ามองเนี่ยนะไม่เห็นฟ้าเลยนะเห็นแต่คาคบของต้นไม้ นะแสงแดดก็ส่องมาไม่ถึงฟังแล้วก็ทำให้นึกถึงที่นี่นะสมัยที่หลวงพ่อคำเขียนมาใหม่ๆเนี่ยนะท่านบอกว่าเดินจากท้ามาไฟหวานมาสุก โ, โตเนี่ยนะไม่เห็นแดดเลยต้นไม้ตลอดนะต้นไม้นี่ครึ้มนะสนามชัยเขตเนี่ยเมื่อ7จ8 0สิบแปดสิปีก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะนั้น่ก็เลยมีเสือเยอะนะก็สุดท้ายก็ไปถึงวัดนะวัดหลวงปอหลวงพ่อคง วัดซ้ำป่า ง, งามนะฟังดูเหมือนกันเป็นอีสานนะซ้ําเนี่ยวัดซ้ำป่างงามไปถึงหลวงพ่อคงก็มาต้อนรับแล้วก็พูดทักขึ้นมาว่าเป็นยังไงรู้ว่ามาก็เลยส่งลูกน้องมารับอเด็กนี่งงเลยนะลูกน้องอะไรไม่มีใครมารับเลยถามพ่อเขาก็บอกว่าก็เสือไงเสือนั่นแหละคือลูกน้องหลวงพ่อคงนะแล้วหลวงพ่อคงนี่รู้ได้ยังไงว่าว่าจะมีคนมาหานะนะเสร็จแล้วค่าวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อคงก็ให้ พ่อแล้วคุณนรงเนี่ยไปไปนอนนะไปพักที่โบดนะโบทนี่ก็เป็นสูงต้นไม้ใหญ่เป็นเป็นโบทไม้นะต้นไม้สูงใหญ่ๆทั้งนั้นช่วงนั้นคนคงยังไม่มากันนะงานบุญเนี่ยร้อยหกปีเนี่ยระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนี่ย <c oughs> เด็กเนี่ยก็ปวดฉี่นะปวดฉี่ก็เลยออกมาเดีย๋ยวไม่ทันจะท้ายังไม่ทันแตกพื้นเลยเห็นเสือตัวใหญ่ๆนะ เจ็ดแปดตัวนี่เดินเพ่นผ่าน<ม>อยู่หน้าโบสถ์บอกว่าเด็กนี่นะฉีไม่ออกเลยนะบอกว่าตกใจมากนะรีบกลับไปนอนเลยเมื่รู้ภายหลังว่าเนี่ยเจ็ดแปดตัวนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เสือธรรมดานะมันเป็นลูกน้องหลวงพ่อคงนะโอ้แท้ว่าท่านมีเมตตามากเลยนะมีเมตตาไม่พอนะสามารถที่จะสะกดเสือเนี่ยให้ให้ให้เชื่องได้นะอันนี้คุณนรลงวรสื่อเนี่ยพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อนะ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 ภาพหมายจะไม่รู้นะมันมีตำบนก็ือาตำบลบ้านเก่าญาดีญาดีเนี่ยหลวงพ่อมเขียนว่าเคยพบนะญาดีนี่มามาหาคล้ายๆว่าจะมาขอเล่ยลายเงินไปทำบุญอายุก็มากแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่าว่าญาดีเนี่ยอยู่คนเดียวในป่านะแถวนั้นสมัยก่อนบ้านเก่าญาดีนี่เป็นป่าที่ขึ้นมาเพราะว่าไม่สบายแล้วก็เหมือนกับว่าปู่ด้วงปู่ด้วงเป็นคนสมัยกัชกที่สองเนี่ยมา มาเข้าฝันหรือมามาปรากฏในนิมิตว่าให้ขึ้นมาข้างบนนะปู่ดวงอยู่แถวตาดโตน่ะนะปู่ดวงญาติดีอันนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแถวนี้แต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านแถวนี้หนุ่มสาวไม่ค่อยรู้จักแล้วว่าเป็นใครนะญาติดีขึ้นมาตอนหลังก็หายนะหายก็อยู่ก็เลยอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวในป่านี่คนก็แปลกใจว่าอยู่ได้ยังไงเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีนี่มันก็สิงสารสัตว์ทั้งนั้น มีคนเคยมาหาญาติดีก็ตกใจนะเพราะว่ามีจระเข้เนี่ยมานอนอยู่นะใต้ถุนกุฏิไอ้ใต้ถุนบ้านมั่งมีเสือด้วยนะะวันดีคืนนี้ก็มีเสือผ่านมาหรือไม่รู้ว่าเสือประเพออาจจะหมอบไปซ้ํา น, น, นะปู่ดวงญาติญาติดีนี่แล้วว่ามีมี ม, มีคงมีคาถาหรือมีของดีนะของดีคนก็ต้อเป็นคาถาเนี่ยแต่จะเป็นความเมตตาก็ได้ความเมตตางญาติดีนี้ก็สามารถทําให้พวก สัตว์ดุร้ายเนี่ยสมัยก่อนแถวนี้ก็มีจระเข้นะถึงเรียกว่ า, านะวังเขานะวังเข้นี่นะและจระเข้ก็ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะแถวหนาแถวตำบลนนะ่ะบ้านเก่า ญ, ญาดีนี่ก็มีจระเข้มีเสือทั้งคนเหล่านี้นี่แล้วว่ามีความเมตตามากนะนี่ขนาดค า, ารวะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีแบบเป็นเกจิอาจารย์อย่างหลวงพ่อคง น, นี่คงจะนะสามารถสะกดเสือได้ นะเด็กเนี่ยก็แปลกอย่างนี้ที่แปลกใจคือหลวงพ่อคงเนี่ยอายุ106ปีนะแต่ว่าดูรูปร่างเนี่ยเหมือนคนอายุแค่50 60ปีนะแสดงว่าท่านก็คงมีอะไรดีไม่น้อยเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะซึ่งอามาเล่าสู่กันฟังก็ดีนะเพื่อที่ได้เห็นว่าธรรมชาตินะสมัยก่อนนี่ป่าของเมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากนะแค่ชาเชิงเซาแค่นี้แหละโเสื อ, อนี่เพ่นพ่านเลยนะไม่ต้องพูดถึงช้างแต่ที่ น่าทึ่งก็คือตัวหลวงพ่อคงนะซึ่งสามารถที่จะทำให้สัตว์นิเชื่องได้สัตว์ดุร้ายนะอันนี้ก็ไล่าฟังเพราะว่ามันก็เป็นเกดและเกดน้อยที่อบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเมืองไทยสมัยก่อนนะซึ่งสมัยนี้คงนึกไม่ถึงว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรือนะอแล้วก็พวกเราก็เตรียมรับพร